ขอความเจริญในธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพุทธยานในวันนี้ก็ใครจะมาดูตอนสรุปชาดกเรื่องพระเวสสันดรหรือต้องการจะเชื่อเห็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าบารมีกับอาสวะและพวกเราเนี้จะเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการสอนธรรมะของพระเบดเจ้า คือเวลาพระพุทธเจ้าจะเทศน์สอนธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยมันจะตรวสอบศึกษาภูมิหลังของบุคคลเหล่านั้นในหลายเรื่องความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้คือบางคนถ้าขาดความพร้อมเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องรอระยะเวลาอย่างที่วันก่อนเคยเล่าเรื่องประชั้นหน้าให้ฟัง พระพุทธเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่ก็รับสั่งว่าชนะเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกต้องให้เรานผ่านไปก่อนเพราะอะไรคือนึกดูว่าคนที่ท่านทุ่มเทความจงรักภักดีไปให้แล้วถ้าไปดุเนี่ยมันจะเกิดทุกขโมนันแล้วจะเสียใจและอาจเสียใจเนี่ยอาจจะพลิกเป็นโกรธ ซึ่งอาจจะไปด่าว่าพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นปัญหาแลวืวิธีดีที่สุดก็คือประคับประคองทนุถนอมจิตใจของท่านไ้แล้วก็รมบ่มเพาะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆอในที่สุดก็บรรลุมรรคผลได้เหมือนกันนะฮะประการต่อไปก็คือเรื่อง ของใครล่ะกันหากระชาลีเนี่ยที่จริงยังไม่ได้พบนะแต่เคยถามผู้ใหญ่มันเคยมีกันเทศว่ากันหาชาลีแต่งงานแต่มาเองยังไม่เคยอ่านเขาบอกว่าต่อมากันหาชาลีเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ถูกชูชกถูกชูชกเอาไปเป็นทาส แล้วก็ปฏิญาณที่จะอยู่ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ยุคสมัยตรงนั้นนะนะฮะที่ก็น้องก็แต่งงานกันได้ก็เป็นพระเจ้าแผนดินครองราชสมบัติในเชตุดรหลังจากสิ้นพระเวสสดรไปแล้ก็ตกลงนัดหมายกันว่าจะต้องไม่มีหญิงอื่นแล้วถ้ามีหญิงอื่นก็เลิกกัน ก็เป็นธรรมเนียมของกษัตริย์เนี่ยมันต้องมีสนมก็นันนาเยอะมันเป็นราชประเพณีเขาชาลีก็มีมาเหสีมีสนมต่างๆนะแล้วก็โกรธจนถึงกับก็เรียกว่าอาธิษฐานไม่ขอเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดไปเพราะเราจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะค เราก็สร้างบารมีมาด้วยกันทำอะไรมาด้วยกันแต่ว่าทำไมนางกันหากรนาชินาเนี่ยไปบังเกิดเป็นทิดาเศรษฐีนะชื่อโอบนวันนาเทรีไม่ใช่ชื่อโอบนวบรรณาคือมีผิวพรรณสวยงามมากเหมือนกับด อ, อกอบุบบล แลรูปร่างหน้าตาก็สวยงามไปที่พอใจต้องการของผู้ชายทั้งหลายจนมีคนมาติดต่อสู่ขอกันบุ้นไปหมดเลยเศรษฐีก็ไม่รู้จะเอาใจใครดีเลยก็เรียกลูกสาวมาสอบถามมาบวชจะดีไหมลูกเด็กสาวพอได้ยินคำ่าบวชเนี่ยเหมือนกับพ่อรดด้วยน้ำอำมฤตบนศีรัะเนี่ยมันเย็นวูบเข้าไปถึงใจดีใจมาก แล้วก็ออกปวดคือนั้นเราก็จะเห็นสองอย่างนะคือเรื่องความอาฆาตแค้นที่ไม่ต้องการจะเกิดร่วมกันกับชาลีแต่ชาลีเขาไม่ได้ทิฏฐานนะชาลีเก็ไม่ได้ทิฏฐานคือว่าการในฐานแยกพ่อแม่เนี่ยเป็นการอธิษฐานของกันหาคนเดียวเพราะงั้นกันหาเขาก็ไปจริงเหมือนกันคือไม่ได้มาเกิดร่วมคันกับชาลี ไม่นามาเป็นลูกของสิทธัตถะกับพนางพิมพาแต่ว่าไอ้บารมีเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนบารมีเขาก็แสดงหน้าที่ของเขาเพราะงั้นเมื่อถึงคราวที่จะต้องบวชเบารมีแก่กล้าขึ้นก็ออกบวชออกบวชไม่นานนะฮะบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรผลเป็นพระอระหรันต์ แล้วก็ไม่จะเป็นธรรมดานะฮะเป็นอักษาวิกาของพระพุทธเจ้าคือพระบุญบรรนาเท ร, รีเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์แต่ว่าเราเข้าใจวันนี้ผ่านระยะไม่นานเท่าไหร่แั้ก็เหมือนกับพระราหุนพระหุนในทีหลังก็ออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระหานเหมือนกันแต่ว่าท่านท่านไม่อธิษฐาน นันไม่ทีฐานไม่ขอเกิดเป็นลูกของพ่อแม่แต่นี้ก็อธิษฐานเขาว่ากันหานี่ที่จริงค่อนข้างจะโกรธพ่ออยู่ด้วยอธิษฐานไม่ขอเกิดเป็นลูกแต่ว่าก็ชาลีนะฮะแน่นอนอธิษฐานว่าไม่ขอเกิดร่วมกันก็สรุปว่าไอความรู้สึกเหล่านี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ทน่าคิดว่าเทเรียตจองเวนนะ คือจองเวรอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือตามชาดกปฐมเหตุที่เกิดจองเวรเนี่ยมันเกิดจากการเป็นพ่อค้าด้วยกันกพ่อค้าลูกปัดค้าคข้าขาย ข, ของเด็กเล่นเน่ะพูดง่ายงั้ยแล้วก็ไปเกิดตัวพระโพธิสัตว์เองเน่ยเป็นคนซื่อสัตว์เทวทัตนั้นเป็นพ่อค้าตะขี้โกงแล้วก็ชื่อเหมือนกันด้วย แล้วก็ที่จริงพระโพธิสัตว์ไม่ไปทําอะไรแกเพียงแต่แกไปคิดตัวเองเปิตจความโดยสรุปว่าแกไปซื้อของเนี่ยไปขายไอ้ลูกปัดเนี่ยมันไปเจอครอบครัวหนึ่งเป็นผู้ดีเก่าวเป็นเศรษฐีเก่าแตัวยังเหลืออยู่ยายกับหลานหลานก็อยากจะได้ลูกปัดยายก็บอกไม่มีเงินจะซื้อหลานก็บอกของแรกเอาก็ได้ ในสุดก็ถาดมาแรกแพอค้าพอเห็นถาดก็เอาเหล็กมาคูดดูก็เห็นเป็นทองเกิดโลภอยากได้ฟรีเลยบอกโอ้ยของนี้ไม่มีราคาก็างวดอะไรแม้ว่าก็ไม่เอาก็คิดว่าประนดี้จะย้อนกลับมาแล้วก็ต่อรองแล้วก็ให้ลูกปัดอะไรนิดๆหน่นนอยแล้วก็จะเอาถาดไปมันเกิดโลภหน้ามืดขึ้นมา เห็นว่อันนี้สายโลภอย่างเนี้ยของท่านเนี่ยมันก็ติดมาผ่านพบชาติมาเป็นคนขี้โลภอย่างเนี้ยเป็นพระเทวทัตแล้วอย่างโลภอยู่ขนาดว่า อ, อสาร้างบารมีต่อต่อกันมาก็เรียกว่าเกิดเสมอกันตั้งหลายชาตินะแล้วต่อมาพอค้าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือเสรษีวะก็มาก็เรียกร้องเรียกขายของเด็ ก, ก็อยากได้อีกอยาย ก, ก็บอกโอ้ยเด็กจะถูกด่าอีก เด็กบอกว่าเสียงผิดกันหน้ายายนะพระค้าคนนี้ท่าทางใจดียายก็สงสารหลานก็เอาถาดมาเสนอแรกพระสัตว์ก็ขีดดูบอกโอ้ยายถาดนี้มันถาดทองคําผมไม่มีสมบัติมัน แ, กแลกอะไยายหรอกยายเองก็ชื่นชมที่เจอคนสื่อสัตา์สุดจริตเข้ามาบอกถ้ า, า ง, งั้นคุณจะให้อะไรก็ให้มาเลยแล้วฉันให้ถาดนี้แก่คุณในฐานะที่คุณเป็นคนสื่อสาร พระโพธิสัตว์ท่านก็ให้หมดทั้งเกวียนนี่ยนะฮะให้หมดทั้งเกวียนขอค่าพาชนะกลับไปเพียงร้อยกะหาพานะเท่านั้นเองแล้วก็เอาถาถือถาดไปใส่เรือข้ามฟากพอข้ามฟากจูนจะถึงฝั่งอีกด้านหนึ่งกอข้าคนโน้นก็มาแล้วคุณยายก็ชี้แจงให้ฟังโกรธมากเลยโกรธพระโพธิสัตว์นี่มากแล้วตะโกนเรียกให้เรือกลับทางโน้นก็ไม่ได้ยินเรื่องแม่น้ำกว้าง เด็กไม่รู้เรียกทําอะไรนะฮะจะกลับก็กลับไปเกก้มลงกอบทรายเนี่ยทั้งสองมืออธิษฐานขอจองร่างจองผ่านพระโพุทธศาส์ทุกภกทุกชาติเพราะแกก็จองรางจองผ่านอยู่คนเดียวตลอดลองสังเกตนะพระพุทธเจ้าไม่เคยทําอะไรแกพระโพุ to to feminine. ทธศาส์ไม่เคยทาอะไรแกแต่แกก็จองร่างจองผ่านแกเรื่อยแล้วแกก็เดือดร้อนแกเองได้เป็นลักษณะของป่าฝุ่นทวนลม แต่ไม่ได้หมายความมาทุกชาตินะคือในชาดกห้าร้อยห้าสิบชาติเนี่ยมีที่เกิดเจอกับปเทวัติเนี่ยเพียงห้าสิบเก้าชาติแต่นั้นเองยงนั้นก็ไม่ได้เจอกันประกรรมันก็แบ่งแยกไปตามเวลานุเวนกันแต่ละคนนะฮะเพราะลักษณะตรงนี้เราเห็นว่ามันจิตสันดานพระโพธิสัตว์ท่านก็ซื่อสัตว์อย่างนั้นะ อยู่ในชาติไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรใครมีบา ร, รมีแก่กล้ามากไปเชิญวิกฤตอารมณ์สังคมเหตุการณ์ต่างๆแรงๆยังไงนะฮะแม้ถูกประทุษร้ายแรงก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติก่อนๆก็ยักษณะนอย่างไง้ทีนี้เราก็มาดูที่พนางพระเจ้ากรุงสนชัยนะฮะ ก็ได้มาบังเกิดเป็นพระเจ้าสุดทุทขนะัดเรเห็นว่าพื้นนัตยาศัยท่านก็หนักแน่นอีกท่านก็เป็นกรท่านอย่างนัน้แม้แต่เกิดวิกฤตลูกชายต้องถูกขับออกจากประเทศท่านก็หนักแน่นไม่อ่อนไหวไปตามกระแสต่างๆแต่ถ้า่ากถึงข่าเนี่ยก็ไม่เอา แม้ท่านจะมีวิธีการต่างๆที่ต้องการให้เจ้าชาติตะทะอยู่ในวังเนี่ยแต่ว่าตอนเสด็จออกพนวดเนี่ยท่านก็มีความเชื่อมั่นนะว่าลูกชายของท่านต้องได้เป็นพระพุทธเจา้าและมาเองยังมองอยู่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่ว่าราชกุมารซึ่งเป็นขวัญใจของคนทั้งแผ่นดินแล้วก็ปล่อยให้บวชเป็นนักบวชเร่ร่อนอยู่คนเดียวนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย พระเจ้าสุโธธนาะต้องส่งคนไปแล้วก็อยู่ในรูปของพวกชาวป่าชาวเขาหาของป่าขายไรต่ะไรทำนาทำไร่ไปเนี่ยแล้วคอยดูแลส่งเสียคือไม่ให้ประโพธิสัตว์รู้เพราะว่าข่าวคร า, าวที่พระโพธิสัตว์ทําอะไรเนี่ยเขารู้หมดนะในวังเนี่ยเขารู้หมดเลยพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยรู้ข่าวว่า เจ้าชายิรธาทรมานพระวรากายบางเป็นเพียนยังไงถ้าก็ทำตามอ่ะแล้วจนถึงกับมีคนเอากระดูกแพะมาหลอกพระเจ้าสุโธธนะว่าเจ้าชายิรธานันสิ้นประชน์เส็จแล้วท่านไม่เชื่อท่านบอกว่าลูกเราถ้าไม่ได้จัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ตายนั่นคือคือแสดงถึงความหนักแน่นในพระใจแล้วก็หนักแน่นมาอย่างนี้ตลอด จนขนาดว่าไหว้พระโอรสตั้งสองสามครั้งนะตอนที่ส่งเพยียวแต่บางครั้งบางคราวก็โมโหทุนเฉียวอยู่บ้างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมระเหตุเทศเรื่องเวสสันดรนะฮะหลังจากเทศเรื่องเวสสันดรแล้วเนี่ยคือรุ่งคนเช้าเนี่ยพระเจ้าสุตโตธนะท่านคิดว่าลูกชายมาบ้านก็คงมากินข้าวที่บ้านนะพูดถึงงั้น น, นะ เดวพเจ้ามากับพระสงฆ์อรหันต์จมรดมาก็กตรวจสอบดูว่าเห็นว่าเป็นตำเนียมพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จไปเยี่ยมร่ายราชกุลเนี่ยตอนเที่ยวบินทบาตพระเจ้าเลยเที่ยวบินทบาทในวังจตเจียมาหารก็เป็นการใหญ่เพื่อจะเตี่ยงดูพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ปนางยโสธราทอดพระเนตรเห็นทางช่องพระแกก็ตกใจ เห็นพระพุทธเจ้าเทวบินธบาดก็ไปทูลพระเจ้าสุธโทธทันะโอ้โถ ม, มันัดนะคมันไม่ใช่กริ้วหรอกแต่โท ม, มนัดเสียประทไทยมากว่าทำให้พ่อเสียชื่อแล้วก็ไปต่อว่าขวางกลางถนนเลยแต่พระอาจาอธิบายฟังเข้าประทไทยนะคับรรลุมรรคผลเลยนั่นคือลักษณะบารมีธรรมที่อยู่ภายในใจของท่านเนี่ยทีนี้พระนางสิริมหามายา ไม่ใช่คือพระนางพุทธดีนะฮะก็ได้เป็นนางสิริมามายานนั้นท่านก็ที่วงคตไปก่อนแล้วก็ไปบังเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็บรรลุมรคผลด้วยการฟังอภิธรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแสดงวารมีปัญญาบารมีแก่กล้าไม่ใช่เล่นนะฮะฟังอภิธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็บรรลุมรคลเป็นมระสดาบัน ท่านบอกว่าท่านอธิษฐานขอเป็นแม่พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปด้วยก็เป็นไปตามความปรารถนาของท่านทีนี้มันมีพู้ประกอบกา ท, ทั้งหลายที่ทำบุญร่วมกันมาเนี่ยรเราเห็นว่าอย่างพวกเจตราชัเนี่ยพวกเจตราชัก็ดีพวกไอ้ข้าราชบริพารที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์เนี่ย ในสุดพวกนี้ก็มีเขาเรียกว่าคือจูนคึื่นกันได้นะยุกยุคเดียวกันมันจูนคลึ่นกันได้แล้วก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งก็มีเรื่องเป็นอันมากนะที่ตันแยกตัวมาเลยจะยกตัวอย่างเช่นเช่นนี้เช่นกลุ่มของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่ฟังเทศและบรรลุมรรคผลมากที่สุด มันแสนสองนะ น, นะแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าคนเหล่านั้นน่ะก็อยู่กระจัดกระจายกันในส่วนต่างๆของอังคากับมคตนั่นเองวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปและพระเจ้าพิมิสันยมกฟ้าเนี่เข้ามาถึงโอกาสที่ประชุมใหญ่ในราชการประชาชนกับราชการกับประชาชนเขานัดประชุมใหญ่แล้วก็เสร็จประชุมพอดีพระเจ้าเสด็จไป คนนั้นก็แห่กันมาเลยพื้นเพจริตอัธยาศัยนั้นมีความหนักแน่นในธรรมเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนพร อ, พอด้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุพักผ่นไปเป็นประโสดาบันไปตั้งหมื่นตั้งแสนหนึ่งนะฮะแสนหนึ่งแล้วก็บรรลุประกาศตนถึงพระเจัาสนาคมตั้งหนึ่งหมื่น ตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะตั้งข้อสงสัยนะว่าคนตั้งแสนสองนี่พระพุทธเจ้าต้องใช้เครื่องขยายเสียงหรือจึงเทศได้ยังไงเขาบอกว่ามันเป็นบารมีธรรมต่างๆเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยมันคนจะมีความรู้สึกเหมือนกับดวงจันทร์เห็นไหมเราเราอยู่ในในประเทศไทยในประเทศลาวในประเทศไรก็ตามนะ เวลาดวงจันทร์ที่อยู่เที่ยงคืนเนี่ยเรารู้สึกว่าดวงจันทร์อยู่บนทวงศีรษะเราทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าดวงจันทร์อยู่ตรงศีรษะเราเพราะเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์คนก็มีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าคุยกับเขารับสั่งกับเขาทำให้จิตมันสงบแล้วก็ตั้งมั่นได้เร็วนี่ก็เป็ น, ป, นปรากฏการณ์ที่พิเศษ ก็เรียกว่าเป็นพุทธบารมีทำไมาการเทศเนี่ยกี่คนกี่คนก็ได้ยินระดับเสียงไม่เท่ากันก็พระพุทธเจ้ามีเสียงมันก็ผงไ ม, มก่ได้ผง ม, ม, มัสนะมีเสียงดุดเสียงพรมก็ยังนึกว่าไอ้เครื่องขยายเสียงที่มันมีประสิทธิภาพสูงตามห้องประชุมใหญ่ๆเคยไปพูดในที่บางแห่งเนี่ยมีคนนั่พันสองพันีย ห้องประชุมระบบเสียงก็ดีเท่ากันเสียงไม่หนักไม่เบาก็ฟังสบายสบายตรงนี้ก็จะเห็น ถ, ถึงลักษณะอย่างหนึ่งว่าแต่ละองค์เนี่ยคือพระนางพิมพาซึ่งเป็นพระนางแม่เพื่นางมัตสีซึ่งเป็นมาเป็นพระนางพิมพายโสธราเนี่ย คือในสมัยที่เป็นพระนางมัสยีดนั้นเป็นพันยาที่ซื่อสัตย์สุดๆเลยนะร่วมชีวิตร่วมทุกร่วมสุขกันอย่างจริงๆพระมาตอนมาเป็นพระนางพิมพาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือท่านไม่มีความคิดเลยที่จะไปหาเป็มีภัสสาวะมีใหม่ แล้วก็แสดงความจงรักภักดีอย่างสูงเบ้าขณะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จมาเฝ้าเนี่ยนะครับท่านได้ก็พูดทำนองใล้ๆกัเล่าความรู้สึกนึกคิดของท่านให้ฟังแล้วก็ประท้วงนิดๆนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมถึงที่เพราะท่านไม่ยอมเข้าเฝ้า ท่านถือว่าท่านซื่อสัตย์ลองดูซิพระพุทธเจ้าจะมีเมตตาตรงนั้นไหมพระเจ้ารู้ความคิดว่าต้องไปถึงที่เพื่อตอบแทนบุญคุณหรือแทนบุญคุณของพระนางแล้วก็ไปกับภาษาริบุตรพรโมคคัลลานะแล้วรับสั่งสั่งระษาดิบุตรพโมคคัลลานะว่าเธอจะทําอะไรปล่อยก็ไปเลย จะกราบแทบประบาทเอาเอาเอ า, เ อ, า, เ อ, าอบผมเนี่ยมาเซดประบาทพระพุทธเจา้าเจ้าปอยเขาทำนะฮะแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่จริงจริงเนี่ยมันวินัยเนี่ยเขาห้ามว่าภิกษุมีจิตกำหนัดจะต้องกายหญิงเพราะในที่บางแห่งเนี่ยเราจะเห็นว่า ก็เล่นแรงๆที่เขาศรัทธามากๆเนะี่ยคนก็สยายผมให้พระไปเหยียบเลยอถ้าเชื่อมั่นในจิตใจตัวเองนะที่จริงก็ทำได้แต่ว่าโดยจะรีดโดยประเพณีเราไม่ทำแต่นั้นเองแต่นั่นคือการอนุเคราะห์โลกหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมให้เข้าเนี่ยนะไม่ยอมให้จับต้องแล้วก็ช็อกตายเลยนะอันตรายมากเป็นเรื่องที่เปราะบาง ตอนก็ต้องรักษาน้ำใจเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณของพนางไงนะแล้วนี่ก็กลายเป็นแบบต อ, อนสังเกตว่าพัญญานั้นคือร่วมทุกข์ร่วมสุขสามีได้แล้วก็กลายเป็นพื้นนิสัยแล้วตัวนี้ที่จริงมันเห็นอะไรล่ะเห็นเรื่องบุเพสั น, นิวาส เห็นไหมคนเคยเป็นสามีพัญญากันมาก่อนแล้วก็ถ้าเรามองกลับไปที่ตอนพระเวสสันดรในพื้นพื้นอัตยาศัยก็เรียกว่าอะไรล่ะเราจะมองจากทานก็ดีมองจากศีลก็ดีมองจากน้ำใจเสียสละก็ดีมองจากปัญญาก็ดีในยุคสมัยพระเวสสันดรเนี่ยคู่ของพระนางปุษฎีกับพระเจ้าสันชัยก็อยู่ในระดับสม่ำเสมอกัน ผู้จากกันรู้เรื่องเข้าใจกันไม่มีเหตุมีผลด้วยกันคู่ของพระเวสสันดรกับคู่ของมรนางมัซซีก็เป็นเช่นนั้นและแม้แต่การหาชาลีมันก็ระดับเดียวกันแล้วก็พอดีเทวทัตชุยชกกับชุยชกกนางมิเตดามันก็พื้นฐานอย่างเดียวกันหรือแม้แต่พวกพระเจ้าเจตรนะราะซึ่งต่อมาก็เป็นพุทธบริษัททาส ก, กะก็ดี จุดฤาษีก็ดีและเจตบุตรก็ดีเนี่ยความรู้สึกยอมรับรับถือศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่ค่อนข้างสูงเพราะในชาตินั้นเนี่ยจุรักภัดีต่อพระเจ้าสูงต่อพระเวสสันดรในสูงรัตกะเองก็มีความเป็นมิตรต่อพระพุทธเจ้าต่อพระเวสสันดอรในสูงพระอรุตก็เป็นพระนุชานะฮะที่จริงก็เป็นลูกพระเจ้าอา ที่ท้าสกะมาเกิดทีนี้ก็ก็ก็ทําให้เห็นอย่างหนึ่งอีกอ่ะคือท้าสกะเนี่ยมันที่จึงอายุขยืนนะเทวาดาสวรรค์ชันดาวบรดึงเนะี่ยอายุยืนร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับ ว, วันหนึ่งคือหนึ่งก็สวรรค์ชันดาวันดึงแต่ว่าท้าสกะในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าในะชื่อมค ะ, ะมนุษย์ เพราะไรพระท้าวกะาในยุคพระเวสสันดรนั้นบรรุมรรคผลเป็นรานไปแล้วมันก็เป็นตำแหน่งใครบำเพ็ญบุญบา ร, รมีมาถึงจุดนั้นก็สามารถจะเป็นทาวสากะาได้แต่ทาวสากะาสมัยพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยท่านก็หมดบุญกํบบามังจุติก็มกฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายนะฮะที่จริงก็ตายเลยจุติแล้วก็ปฏิสนธิเป็นท้าวสากะาต่อ เพราะงั้นก็ดูแล้วถ้ามีความรู้สึกต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเคารพเทดทูนสุดๆเพราะว่าเหมือนกับพ่อจะให้กำเนิดความเป็นพระพุทธเจ้าแก่ท่านโดยการสอนธรรมะอธิบายธรรมะให้ฟังเรานี่ต้องการดูกระแสของบารมีกับอสวะที่สะสมภายในยจิตใจของบุคคลและออกมาเป็นลักษณะ น, นิสัยอธิมุตพื้นเพจริตสันดาในแต่ล ะ, อะของคนในะด้านบวกและด้านลบนี้ แล้วคนอื่นในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถจะมองได้แนวเดียวกันเชิญฟังทางหลายใต้โลกประภติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพ่บุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี